วันนี้เป็นวันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันหยุดวันที่4ของเทศกาลสงการก็แสดงว่าวันเวลาก็ผ่านไปอย่างต่อเนื่องวันเวลานี้ไม่มีวันหยุด ไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับกระแสน้ำํำวันเวลานี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นงูใหญ่งูใหญ่ที่จะคมือขมือแบอบ ส, รรสับประเสริฐสับประสาร ท, ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปทีละเล็กเทือน้อยเหมือนงูที่กินเหยื่อค่อยๆ ค่อยๆุบเข้าไปทีละนิดทีละน้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวันนี้ที่มีอยู่ในวันนี้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งวัตถุสิ่งของต่างๆก็จะถูกเวลากกินกินไปหมดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวคุทเรา พิจารณาอยู่เนื่องๆว่าสังขารคือร่างกายของพวกเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรมมมนธรมดาย่อมมีการทัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพน้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้หมันพิจารณาสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคือจะได้รีบขนควายทาในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจ เป็นสิ่งที่จิตใจเอาติดตัวไปได้ด้วยสิ่งที่เอาติดไปไม่ได้นี้จะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์เ <c oughs> ช่นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นโลกกระทำทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นสิ่งที่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว<ม>เวลาที่ร่างกายตายแล้วใจต้องอยู่ตามลำพังจาเป็นที่จะต้องมีเครื่องอยู่ต้องจาเป็นต้องมีที่พึ่งถ้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งใจคือดวงวิญญาณก็จะไป ไปดีไปสู่ที่ชอบไปสู่สุขติถ้าใจปราศจากธรรมปราศจากที่พึ่งทางธรรมใจก็จะไปไม่ดีไปสู่ทุกขติไปสู่อบายนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจของพวกเราทุกคนหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาโลกธรรมได้เหมือนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อันนี้เราหาโลกธรรมมาเป็นที่พึ่งได้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าได้แต่อนาคตของร่างกายนี้มันจะเสื่อมลงไปตามลําดับตาม เวลาความแก่ก็จะเพิ่มมากขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะต้องเผชิญแก่ความตายไปความสามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆจากโลกกระททั้งสี่ก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ จนในที่สุดก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เลยพอร่างกายตายไปแล้วเครื่องมือที่จะให้ความสุขกับเรานี้ก็คือบุญกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันทำกันอยู่เรื่ยอยๆเพราะจะเป็นสมบัติ เป็นรัพย์ภายในที่จะสามารถนำเอาสิดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วก็จะได้อาศัยทรัพย์ภายในนี้เป็นเครื่องอยู่ให้ความสุขแก่ดวงวิญญาณไปจนกว่าจะกลับมาเกิดใหม่หรือไม่กลับมาเกิดใหม่ ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ปฏิบัติที่มีชีวิตอยู่ในขณะ น, นี้ว่าจะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นไปถึงระดับไหนได้บ้างระดับสุขคติก็มีระดับสวรรค์ชั้นเทศระดับชั้นคมแล้วสูงกว่านั้นก็เป็นระดับของพระอริยะ คือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งถ้าปฏิบัติไปได้ถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นท่นนิพพานแล้วโย<ม>งวิญญาณ น, นั่นก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป<ม>แต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นนั้นโย<ม>งวิญญาณก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใน ระดับต่างๆก็อยู่กับผลที่ได้จากการปฏิบัติถ้าได้ทำบุญทำทาน<ม>ได้รักษาศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทับยไม่ประพฤติประเทณไม่พูดปด่วดไม่ดื่มของมึนเมาไม่เสพประบายยมุกต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลงคืน พบคนที่กอ็บอบา ย, ยมุกเป็นนิสชอบความเกลียดชังถ้าไม่ได้มีการกระทาเหล่านี้ใจก็จะปอดภัยจากการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเบลฐานบ้างไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยบ้างที่เรียกว่าเปรหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว เรียกว่าศอนรกายหรือเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทเพียดแค้นก็ จ, จะเป็นนรกถ้ารักษาสี่ห้าได้หรือทำบุญให้มากกว่าบาปได้<ม>ดวงวิญญาณก็จะ ป, ปะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปรับใช้ผลบาปในยาบาย แล้วถ้าปฏิบัติได้สูงกว่านั้นจอได้บาเพญ็ญจิตภาวนาทำจิตใจให้สงบละกามฉันะ้ะคือความสุขทางกาหูสมุกยิ้วกายเพื่อเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ก็จะเข้าสู่ สวรรค์ั้นโคมลโลกแล้วถ้าสามารถปฏิบัติขั้นสูงต่อไปได้คือขั้นปัญญาสามารถปฏิบัติเจนีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สิทุกสมุทยมัยนิโรธมากเห็นไพลักษ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็สามารถที่จะกำจัดสิเลสตันหา ตัวที่คอยชดลากให้ดวงวิญญาณกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆ<ม>ก็จะสามารถกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ก็จะเป็นอยู่ในสวรรค์ชัน้นวิภานที่มีแต่บรมลัสุทธ<ม>นี่คือสิ่งที่ พระพุเจ้าทรงนำามาสั่งมาสอยให้สัสตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้ได้รู้ความจริงของสภาพของเราว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาครอบครองหรือมาอาศัยร่างกาย ที่เป็นของชั่วขราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีร่างกายนี้ก็จะต้องถึงวันสิ้นสุดลงถ้ายึดติดร่างกายอาศัยร่างกายเป็นสาระเป็นที่ซึ่งเป็นเครื่องมือหาความสุขจากโลกกระทาทั้งสี่ตอร่างกายเข้าสู่สภาพที่เสือ่อมลงไป ความสามารถที่จะหาความสุขจากโลกระธรรมทั้งสี่นี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปเมื่อความสุขได้น้อยลงความทุกข์ก็จะเพิ่มมีมากเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนความสุขที่เคยได้จากการหาราบยศสารส่งศก็จะแทบจะไม่มีเลยเหลือแต่ความทุกข์ความเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยู่ ตามนำทางเพราะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายพาไปไหนมาไหนได้ต่อไปจึงไม่ควรประมาทพระเจ้าทรงสอนว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปเราผู้ใช้ร่างกายผู้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้คือคิดนี้คือท่ารู้ หรือที่เราเรียกว่าจิตใจจิตใจนี้หรือถ้ารู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <c oughs> เวลาร่างกายตายไปถ้ารู้ก็ยังอยู่ต่อแต่จะต้องอาศัยอย่างอื่นเป็นเครื่องอยู่อาศัยบุญและบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ก็่งอยู่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากัน ถ้าฝ่ายบาปมีกำลังมากกว่าฝ่ายบาปก็จะเป็นผู้ส่งผลสร้างความทุกข์ในรูปแบบต่างๆให้เป็นดวงวิญญาณในรูปแบบต่างๆหรือถ้าเกิดก็ได้เกิดเป็นสัตว์ในราชาชนิดต่างๆแต่ถ้าบุญสร้างบุญไว้มีมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ส่งผลให้กับใจ ส่งให้ใจไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบุญทำทานได้มากกว่าทำบาปถ้าได้ปฏิบัติธรรมได้ทำจิตใจให้สงบก็จะได้ไปสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นไประดับหนึ่งเรียกว่าสวรรค์พรหมโลกที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นเทวโลก <c oughs> แล้วถ้าอยากจะออกจากสวรรค์ทั้งทั้งสองระดับนี้เพื่อเข้าสู่พระนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาดูความเป็นจริงของสาภาวะธรรมทั้งปวงเช่นร่างกายหรื อ, อ, อสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ในโลกกระรมทั้งสีว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราอยากให้มันเที่ยงเวลามันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทุกข์นี้ก็คือทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ที่เกิดจากความอยากเช่นอยากให้ร่างกายเที่ยว อยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตายพอเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายจะตายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาภาวะตัณหาอยากให้อยู่เป็นนานอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บวิภาวะตัณหา อยากใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายความอยากทั้งสามประการนี้จะเป็นตัวคอยผลิตความทุกข์ให้กับใจในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาพถดถอยอยู่ในสภาพเสื่อมคืออยู่ในสภาพของคนแก่คนเจ็บและคนตายแต่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรม ได้เจริญสมาธิทำจิตใจให้สงบปล่อยวางแล้วก็สอนใจให้รู้ว่าทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทุกเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายใจเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของพ่อแม่ที่สร้างร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของร่างกายนี้ก็คือธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันมาสร้างอวัยวะต่างๆ ให้มีอาการสามจุดสองเนี่ยแหละคือเจ้าของแท้เจ้าของของร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอเวลาที่ร่างกายหยุดทํางานหยุดหายใจเมื่อไหร่ธาตุทั้งสี่ก็จะแยกตัวออกจากกันตามลำดับธาตุที่จะออกจากร่างกายไปแรกก็คือธาตุลมเพราะไม่มีลมเข้าแะไม่หายใจเข้า นี่จะลมละเหยออกไปจะตามทาวารต่างๆตามด้วยท่าน้ํา้ำตามด้วยท่าไฟก่อนร่างกายของคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นเวลาไปจับดูจับตัวร่างกายของคนตายดูจะรู้สึกว่าเย็นกว่าเพราะท่าไฟที่มีอยู่ในร่างกาย ได้แยกตัวออกไปเหลืออยู่กับธาตุน้าํากับธาตุดินธาตุยะตามออกมาต่อไปก็คือธาตุน้ำธาตุน้ําก็จะไหลออกมาตามสวรรต่างๆจนกระทั่งร่างกายก็จะแห้งกรอบเหลือแต่ธาตุดินอวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบถ้าสิ้นตอบถ้าปล่อยสิ้งไว้ต่อไปก็จะเริ่มผุพังไป กลับกลายเป็นดินไปใ น, นที่สุด น, นี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนที่มันจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟแล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆพอเวลาร่างกายหยุดทํางานก็ัธาตุรู้กับ ชาติสี่ก็แยกออกจากกันเลยผู้รู้ก็จะไม่ได้ยุ่ไม่ได้รับรู้เรื่องของร่างกายหลังจากที่ร่างกายหมดลมหายใจเวลาคนตายนี่เอาเอาอะไรไปทิ้มไปแทงร่างกายร่างกายจะไม่สะดุ้งเลยเพราะผู้ที่สะดุ้งผู้ที่รับรู้นั้นไม่ได้รับรู้แล้วก็คือใจแต่ขณะที่ยังมีใจอยู่นี่เวลาไปหาหมอไปฉีดยาย มาหมอทิ่มแข็งเขาทิ่มเข็มเข้าไปในร่างกายนี้ใจก็จะสะดุ้งขึ้นมาทันทีผู้ที่สะดุ้งไม่ใช่ร่างกาย <S S S S <c oughs> เพราะว่าเวลาที่ไม่มีใจไม่มีดวงวิญญาณแล้ว <c oughs> หมอจะเอาเข็มเอาไปทิ่มร่างกายก็เฉยเอามีดไปผาไปทําอะไรก็เฉยหมดเอาไฟไปเผาร่างกายก็เฉยเพราะร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับรู้ สิ่งต่างๆที่มากระทบกับร่างกาย mm. ผู้ที่รับรู้นี่ mm. ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับร่างกายนะ้ mm. ร่างกายถ้าไม่มีใจ mm. ไม่มีดวงวิญญาณร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนดีๆนี่ mm. เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวนึ่ง mm. เคยเห็นมไหมตุ๊กตาที่เขาใช้สําหรับจัดโชว์เสื้อผ้าต่างๆ mm. มันก็เป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนคนตีชีวิตอยู่แต่มันขยับทะืยอนอะไรไม่ได้มันทำอะไรเคลื่อนไหวเองไม่ได้เพราะที่ผู้ที่สั่งการให้มันขยับกระยื่อนเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่กับมันแล้วร่างกายก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งแล้วก็มันก็จะทำการแยกส่วนต่างๆที่มารวมตัวกันเพราะส่วนต่างๆก็จะแยกกลับไปสู ที่เดิมลมก็จะกลับไปอยู่กับลมไฟก็จะกลับไปอยู่กับไฟน้ำก็จะกลับไปอยู่กับน้ำดินก็จะกลับไปอยู่กับดินทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่หามาในขณะที่มีชิปอยู่เช่นลาบยศสะละเสริญศุขก็กลายเป็นของคนอื่นไป ถ้ามีทายาทมีใครเขาก็จะมาขอรับไปมีลูกมีหลานมีใครที่มีสิทธิ์รับตามกฎหมายเขาก็จะมารับไปรับสมบัติเข้าของเงินทองยศต่างๆเขาก็เอาคืนไปคืนไม่เขาไม่ได้ให้เอาไปกับเวลาที่ตายไปความสุขที่ได้จากตาหงษมจำหลงิ้นกายก็สิ้นสุดลง นี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนที่จะถูกเวลาเกินกินไปเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะประมาทวิธีที่จะทำให้เราไม่ประมาทก็คือเราต้องพยายามพิจารณาอยู่เนืองเนือคิดอยู่เรื่อยเรื่อยเพื่อไม่ให้ลืมว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นแค่ดินน้ำลมไส ว, วันใดันดมันก็จะต้องแยกตัวออกจากกันมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอนนี้เรายัางมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สามารถทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจได้เรารีบมาทำคุณทำประโยชน์กันดีกว่าอย่ามาทำโทษ<ม>ทำความเสียหายให้แก่จิตใจด้วยการปล่อยให้ไปทำบาปต่างๆเพราะ ใจที่มีกิเลสตัณหาครอบงานี้ก็จะมีความยินดีมีความอยากได้ลาบยศสารสสุขอยากได้มากๆแล้วก็เวลาอยากขึ้นมาบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะหามาได้ด้วยการกระทำที่สุจริต ก, <ม>ก็จะต้องใช้วิธีทุจริต ก, <ม>ก็คือวิธีทำบาปต่างๆ<ม>นี้ ถ้าไม่ระมัดระวังถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เชื่อว่า <c oughs> มีจิตใจผู้ที่จะเป็นผู้รับผลของการกระทำบาป <c oughs> ก็อาจจะไม่กลัวบาเปเันเพราะความอยากได้ความสุขจากราบยศสารเสินจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมีกำลังที่จะมาสร้างความเครียด สร้างความหงุเหงยดสร้างความเศร้าหมองให้กับใจเวลาที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะทําให้กล้าที่จะไปทําบาปเพื่อที่จะได้กําจัดความเศร้าความหมุดหงียดความว้าเหวความความไม่มีความสุขก็จะเพื่อที่จะหาความสุขมา เศษมาสัมผัสแต่มันก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้อะไรมาก็ดีใจมีความสุขไปชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสิ่งที่ได้มานั้นก็มันก็หมดความหมายไปต้องหาสิ่งใหม่ๆมาเพิ่มเติมหรือใ ห, ให้มีมากขึ้นเช่นได้เงินมาก็นหนึ่งก็ดีใจอยู่ในระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกต้อเงินก้อนที่ได้มาก็จะนํำมาไปใช้จ่ายกับสิ่งต่างๆก็เกิดความอยากจะได้เงินขึ้นมาใหม่ได้น<ม>ด้ยศก็แบบเดียวกัน <c oughs> ได้ยศแล้ว <c oughs> ได้ขั้นนี้แล้วก็อยากจะได้ขั้นสูงต่อไปถ้าเป็นข้าราชการเป็นทหาร<ม>เป็นตำรวจ<ม><ม>เป็นพลทหาร<ม>ก็อยากจะเป็นนายสิทธ ได้ชั้นในสิบแล้วก็อยากจะได้ชั้นในร้อยชั้นจาก่อนชั้นจาแล้วก็ชั้นในร้อยชั้นในพนชั้นในพันชั้นในพลขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแล้วความสุขที่ได้ก็ได้เดียวเดียวแล้วเดียวมันก็จางหายไปเดี๋ยปล่อยให้มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้เหมือนกับไม่ได้อะไรไม่มีอะไร ต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่เวลาใดที่ไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดจริญก็จะไปหาโดยวิธีทุจริตก็คือทาบาปแต่ถ้ามีธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยบอกว่า<ม>การทำบุญการทำบาปนี้มีผลต่อผู้ที่กระทำ ผู้กระทำนี้ก็คือใจนี้ไม่ใช่ร่างกายอย่าไปคิดว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี้ก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าผู้ที่กระทำบาปทำบุญที่แท้จริงก็คือใจผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญไปทำบาปใจเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองแล้วเมื่อ ทำแล้วผลบุญผลบาปก็จะปรากฏขึ้นในใจในความรู้สึกทำบุญก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาทำบาปก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาแล้วความสุขใจทุกข์ใจนี่นะที่เรียกว่าบุญหรือบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะส่งให้ดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไปอยู่ในสุคติและในทุกขกติต่อไป แล้วหลังจากที่ได้รับผลบุญผลบาปแล้วจนหมดแล้ว mm. ก็จะถูกอํานาจของปิเลตันหาความอยากในการหาความสุขของของราบยศสารเสริญสุขนีมาดึงให้ไปมีร่างกายอันใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ <c oughs> เพื่อที่จะได้เอาร่างกาย มาหาราบยศสริษสเสริญสุขใหม่อีกรอบนี้นี่แหละคือความเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้เวียนว่ายตายเกิดเพราะใจนี้ยังมีตัณหาความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่ า, ตางๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือราบยศสริษสเสริญและความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้วกายจะหาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือก็คือร่างกายก็ต้องมาเกิดมามีร่างกาย <c oughs> แล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมื อ, อมไปหาราภยศเสรเสริญสุดแล้วก็อาจจะต้องไปทําบาปเพื่อที่จะได้ราบยศเสรเสริญสุขมาสําหรับท่านที่หาได้มามากก็อาจจะแบ่งเอาไปทําบุญมีมากเกินไปก็แบ่งให้คนอื่นบ้าง แบ่งให้ญาติสนิททุกสายให้เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อน <c oughs> ก็จะได้มีการทำบุญบ้าง <c oughs> แต่ถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องราวเหล่านี้อยู่ <c oughs> เราจะได้รู้ทิศทางอย่างชัดเจนของชีวิตของเราว่าอนาคตของเรานี้จะไปในทิศทางใด <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีคำสั่ง <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้เราจะไม่รู้ว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไปไหนต่อไปเราสูญไปกับร่างกายหรือเปล่าอันนี้จะไม่มีวันรู้ได้ <c oughs> เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง <c oughs> เราต้องมีผู้ที่รู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอนหันตสาบกทั้งหลาย <c oughs> มาเป็นผู้บอกเรา <c oughs> มาบอกแผนที่ทางเดินของเราว่าเราจะไปต่อหรือเราจะสูญไปกับร่างกายพระเจ้าและพระอรหันหตสาวกนี้ท่านเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้สูญไปกับร่างกายเราเป็นธาตุรู้ที่มีความสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆที่มีความสามารถที่จะมีความรู้สึก มีความสามารถที่จะจำจำเรื่องราวต่างๆได้มีความสามารถที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มีความสามารถที่จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าจากตาหูจมกูกนิ้นกายได้ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายใช้ร่างกายมาหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรสนแล้วก็ ทำบุญบ้างทำบาบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์แล้วก็จะต้องไปเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็จะถูกอำนาจของความอยากคือกามตัญหานภาวานหาและวิภาวญหานี้ สุดลากดวงวิญญาณให้ไปมีร่างกายไปหาร่างกายใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาหาราบยศเสริญสุขใหมมาทุกขอีกรอบหนึ่งเพราะทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายบ้งต้นก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายต้องคอยดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆภัยต่างๆที่อาจจะมาคุก ค, คามร่างกายทำลายร่างกายได้ ต้องดินน้นรนเพราะถ้าร่างกายไม่มีปัจจัยสี่ก็ไม่สามารถอยู่ได้ต้องดิ้นรนหาอาหารหาเครื่องนุ่งหลมหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรค ก, <ม>ก็คือสรุปแล้วทครั้งที่มาเกิดนี้พอเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์ทันทีออกจากท้องแมาก็ต้องหายใจเองถึงจะอยู่ได้ถ้ามาหายใจก็จะทุกข์แล้วก็จะตายได้<ม>ก็ต้องหายใจ หายใจเองแล้วก็ต้องดื่มน้ำเองรับประทานอาหารเองออต่อไปพอโตขึ้นก็ต้องทำเองอทุกอย่างตอนที่ยังเด็กอยู่ก็อาศัยพ่อแม่ช่วยทำให้ไปก่อนอชีวิตของการเกิด น, นี้มันก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็จะทุกข์ไปจนถึงวันแกวันเจ็บวันตายแล้วสิ่งต่างๆที่หามาได้ความสุขต่างๆที่หามาได้ จากโลกกระทำทั้งสี่เวลาตายไปก็ไม่มีอะไรติดไปกับใจเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าใจไปแบบไม่มีบุญพาไปใจก็จะไปอยู่แบบขอทานไม่มีบุญเพราะบุญนี่เป็นเหมือนทรัพย์ภายในซัพย์ที่จะสามารถหาสิ่งต่างๆมาหล่อเลี้ยงให้จิตใจอยู่อย่างมีความสุขได้แล้วนอกจากถ้าไม่มีบุญไปแล้วถ้ามีบาปติดไปด้วย บาปก็เป็นเหมือนกับการไปการไปมีหนี้สินหรือการไปทำผิดกฎหมายตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายอบายนี้เป็นที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเกิดเป็นเดรัจฉานก็ทุกข์มากกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเปนก็ทุกข์กับความหิวโหยเป็นนักศกากายก็ทุกข์กับความหวาดกลัว เป็นนรกก็ทุกขกับความเครียดแค้นอาฆาตยายบาทนี่สิ่งคือสิ่งต่างๆที่จะตามมาต่อไปแล้วจะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด<ม>การเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของพวกเรานี้มันเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแลได้ร่างกายมาไม่รู้กี่แสนล้านล้านแ ถ้าอยากจะรู้ว่าเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งท่านก็ให้ใช้การประมาณเราประมาณหรือประเมินเราว่าทุกครั้งที่เรามาเกิดนี้เรามักจะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับความเศร้าโศกเสียใจแล้วเวลาที่เราเศร้าโศกเสียใจเราก็จะต้องร้องหม่มร้องไห้กันเราต้องหลั่งน้ําตากัน ถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลังในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเราเกิดนี่เราไม่ได้หลังน้ำตาเพียงครั้งเดียวตัางไปหลายครั้งจนกระทั่งถึงเวลาแก่ก็ยังมีการหลังน้ำตาอยู่ถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลังนี้มารวบรวมกันของแต่ละภพแต่ละชาติแล้วนี่ท่านบอกว่าน้ำตาที่เราได้หลังมานี้มันจะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทร นั่นหละคือประมาณภพชาติที่เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันมีมากขนาดนั้นและจะมีต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนการ่เราจะมีโอกาส ม, มีโชควาสนาะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>องค์ใดองค์หนึ่งพบกับพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐที่สุด เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พระมีความสามารถที่สอนจะสอนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนและง่ายดายแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ที่เป็นคาสอนที่ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแล้วนี้ พระพุทธเจ้าทรงจะแสดงทมวิธีการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจอยู่ทุกวันวันละสามรอบด้วยกันคือยามบ่ายก็สอนให้กับฆราวาดญาติโยมยามค่ำก็สอนธรรมะให้กับภิกษุภิกษุณีนักบวชยามดึกก็สอนธรรมะให้แก่เทวดา มีเป็นภารกิจประจําวันของพระพุทธเจ้าที่มีทั้งหมดห้าภารกิจด้วยกันสามภารกิจก็สั่งสอนธรรมะภารกิจที่สี่ก็คือจะทรงเลียญาณในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกปิณฑบาตว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมปรวใครยเป็นกรณีพิเศษเพราะอาจจะบุคคลนั้นอาจจะมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้แล้ว แต่อาจจะมีความจะต้องเสียชีวิตไปในระยะอันสั้น<ม>ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น<ม>แล้วภารกิจข้อที่ห้าก็คือเสด็จออกบินทบาท<ม>ที่เราเรียกว่าพุทธกิจห<ม>้านี่เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันธรรมะคำสั่งคำสอนที่ทรงแสดงไว้ จึงมีจำนวนมากมายที่มีจดบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็มีถึงแปด0มืนสี่พันธรรมบทด้วยกัน mm hmm. เราสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระอาหารหันตสาวกอริยสาวก mm hmm. เราก็ถ้ามีพระไตรปิฎกเราก็สามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ mm hmm. เเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นสวากขาโตพระกัตตาธรรมโมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการถ้าไม่มีครูอาจารย์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระสุปฏิปันโนก็ไปหาพระไตรปิฎกค่อยๆไปศึกษาไปทีละบททีละบทไปแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเองจะได้รู้ว่า รู้เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดรู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเรารู้ว่าเรานี้เป็นดวงวิญญาณเป็นดวงจิตดวงใจที่เวียนว่ายตายเกิดตามอํานาจของหูหะอวิชากิเลสตัณหาถ้าเราอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องปฏิบัติธรรมที่จะชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชา ให้หมดสิ้นไปจากใจในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะปฏิบัติทำได้ก็ให้ขั้นต้นก็ให้ไปปิด ป, ปิดอบายก่อนปิดประตูอบายก่อนด้วยการรักษาสิงและและเว้นการเสพอบา ย, ยามุขแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์เราก็มันทำบุญทำทานมีข้าวงข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ ที่เราไม่จําเป็ น, นที่จะต้องมีไว้เลี้ยงดูร่างกายเรา<ม>อย่ า, าไปทําประโยชน์อย่างอื่น<ม>เพราะมันเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติด<ม>ถ้าเราเอาเงินส่วนเกินนี้ไปใช้กับของที่ไม่จําเป็น<ม>ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของหรูหราซื้อของแบรนด์เนมหรือเอาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก<ม>ารกระทาแบบนี้เป็นเหมือนเอาเงินไปซื้อยาเสพติด ม, มันจะเสพแล้วมันจะติด แล้วมันต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยเพราะเวลาที่มันอยากแล้วมันไม่ได้เศษนี่มันจะทุกข์อย่าใช้เงินไปในรูปแบบนี้เอาใช้เงินไปซื้อซื้ อ, อตั๋วไปสวรรค์ดีกว่าด้วยการเอาไปทำบุญทำทานทุกครั้งที่เราได้ทำบุญทำทานนี้เท่ากับว่าเราได้ซื้อตั๋วซื้อตั๋วขึ้นเครื่องเวลาที่ร่างกายนี้เราตายไปแล้ว เราก็จะได้ขึ้นเครื่องไปสวรรค์ชั้นต่างๆมันได้อถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติทําได้เบื้องต้นก็ทำสองข้อ น, นี้ก่อนคือปิดประตูาบายอย่าไปเกิดในาบายเพราะอาบายมันมีแต่ความทุกข์เหมือนไปติดคุกติดตารางต้องไปรับโทษไปใช้โทษส่วนไปสวรรค์นี้เป็นเหมือนกับไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีแต่ความสุขความสบายใจทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจเวลาตายไปความสุขใจสบายใจนี้ก็จะในรานิสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นมาให้เราได้เสพได้สัมผัสนี่คือขั้นเบื้องต้นของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาใจให้มีแต่ความสุขความเจริญ ปิดประตูบายด้วยการไม่กระทำบาปเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจเสื่อมลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> เมื่อเราปิดประตูบายได้แล้วอย่างต่ำเราก็จะเป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> ไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นเราก็ต้องมันทำบุญทำทานมีเงินทองเข้าของทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปหาความสุข <Yeah. S 1> ก็เปลี่ยนจากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาให้เป็นการทาบุญทาทาน ทำกับใครก็ทำกับศาสนาก็ได้ทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับสถานสงเคราะห์ต่างๆทำกับผู้ยากไร้หรือทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาอย่างนี้ก็ได้บุญถ่ายโคถ่ายชีวิตโคก็ได้ได้บุญได้ความสุขใจเหมือนกันได้ไปสวรรค์เหมือนกันเท่ากับการเป็นการตีตัว๋วทําวีซ่า เวลาที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็จะต้องมีวีซ่าเข้าเมืองถ้าเราไม่ทำไว้ล่วงหน้าก่อนถึงเวลาเราก็อาจจะไปไม่ได้หรือเข้าเมืองไม่ได้แต่ถ้าเรามีวีซา่ามีตั๋วแล้วพอเวลาร่างกายตายไปใจเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการทำบุญทาทานนี่เป็นการสูญเปล่า เป็นการไปซื้อซื้อตัว๋วซื้อทัวร์เวลาจะไปท่องเที่ยวเราก็ต้องไปซื้อใบบริษัททัวร์ไปซื้อทัวร์ต่างๆที่เขาจัดขึ้นมามเขาบอกทัวร์นี้ราคาเท่าไหร่เราก็จ่ายเงินไปให้กับเขาพอถึงเวลาเราก็ถือหิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องไปได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วบริษัททัวร์เขาก็จะพาเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่างๆ อันใดเวลาที่เราทําบุญทําทางนี้ก็เหมือนกับการเราไปซื้อซื้อทัวร์ท่องเที่ยวในสวรรค์กันไม่ใช่เป็นการสูญเปล่าแต่อย่างใดเพราะว่าเวลาที่เราตายไปเราจะได้มีเบอร์สัปทัวร์พาเราไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองอันที่แต่การที่เราไปซื้อความสุขจากของต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆของไม่จําเป็นต่างๆของหรูหราของแบรนด์เอง หรือไปหาความสุขจากการเที่ยวไปกินไปกินไปดื่มเนี่ยอันนี้แหละเป็นการสูญเสียเงินทองไปโดยเปล่ า, าเพราะไม่มีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าเลยสิ่งที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าก็คือความหิวโหวย<ม>เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนยาเสพติด<ม>พอเราเสพแล้วเราจะติด<ม>พอติดแล้วมันก็จะหิวโหวยเวลาที่ไม่ได้เสพ<ม><ม>เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากที่จะใช้เงินทองของเราให้เกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงนะเราต้องเอาเงินเอาทองของเรานี้เอาไปทำบุญ <S 1> <S 1> ทำทานเงินส่วนเกินเงินที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้เลี้ยงดูล่างกายของเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยใช้กับกิเลส ต, ตัณหาก็เป็นการไปสร้างความหิวโหยให้กับใจไม่ได้สร้างความอิ่มไม่มีทรัพย์ติดตัวไป แต่ถ้าทำบุญทำทานนี้ก็จะมีทรัพย์จิตตัวไปด้วยมีมีตัวเครื่องบินมีวีซ่าเข้าเมาืองมีรายการทัวร์ท่องเที่ยวตางสถานที่ต่างๆการทำบุญทำทานนี้จึงไม่ได้เป็นการสูญเปล่าแต่อย่างใดขอให้เราคิดอย่างนั้นถ้าเราจะได้ไม่เสียดายเงินทองมันดีกว่าการไปซื้อข้าของสิ่งที่ไม่จาเป็นสิ่งที่หรูหราทาไมเราถึงกล้าใช้กับขอบซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือย เราคิดว่าเราซื้อมาแล้วเราจะมีความสุขแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่จะทําให้เราเศร้าต่อไปเวลาที่เราไม่สามารถที่จะซื้อมาเพิ่มเติมให้ให้กับเราอยู่เรื่อยๆ <P. S 1> เพราะสิ่งต่างๆที่เราซื้อมานี้มันไม่ทําให้เราอิ่มให้เราพอมันจะทําให้เราอยากซื้อเพิ่มขึ้นอีกในชุดนี้เราก็อยากจะได้ชุดนั้นนี่ในรถยี่ห้อนี้เราก็อยากจะได้รถยี่ห้อ น, นั้นนี่ ได้แหวนเพชรแบบนี้แล้วก็อยากจะได้แหวนเพชรแบบนั้นนีกมันจะสร้างความอยากสร้างความหิวให้เราอยู่ตลอดเวลาได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วก็อยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นั่นต่ออยากจะไปอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาใดที่ไม่สามารถไปได้เพราะเงินหมดเงินไม่พอใช้ในตอนนั้นก็จะต้องอยู่กับความเศร้าส้อยหงอเหงาอยู่กับความว้าเวอย่าไปใช้เงินทองแบบนี้มันเป็นโทษก่อจิตใจ ให้ใช้เงินทองที่ดีคุณประโยชน์กับจิตใจคือด้วยการทําบุญทําทานจะทําบุญกับใครก็ได้แล้วแต่เราจศรัทธาถ้าเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากจะสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปกับโลกนี้นานๆเราก็ไปทําบุญกับพระพุทธศาสนาแต่เราถ้าเราอยากให้โรงพยาบาลสามีความสามารถที่จะรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้มากขึ้นไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงิน เราก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาลถ้าเราอยากจะให้เด็กนักเรียนมีการศึกษาที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นเราก็ไปสนับสนุนโรงเรียนต่างแล้วแต่เราการทำบุญเหล่านี้เป็นการสร้างสวรรค์ให้กับใจของเราเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นการทำวีซ่าเป็นการซื้อซื้อรายการท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ พอถึงเวลาที่เราตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งระดับที่ง่ายๆสำหรับคนทั่วไปที่จะสามารถทำกันได้คือลาบบาไม่ทำบาไม่เสพอบายมุกรักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานทตามตามโอกาสตามเวลาตามอัธยาศัยตามกำลัง ตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนรับประกันได้ร้อยเปอร์เ hmm. ซจะไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นรศรลกายไม่ต้องมาคอยมารับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่ mm hmm. เพราะเรามีบุญติดตัวไปมากกว่าบุญที่เขาส่งไปให้เรา mm hmm. อ น, นี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนา mm hmm. คือสร้างสวรรค์ขึ้นมาก่อนไปสวรรค์ก่อน ปิดประตูบายก่อนแล้วถ้าเราอยากจะไปมากไปกว่านี้อยากจะไปสูงกว่านี้และอยากจะไปแบบไม่กลับอยากไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพิ่มการทำบุญทาทานไม่ใช่ไม่ใช่ทำบุญทำทานเพิ่มการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนานี่เอง การเจริญจิตตาภาวนานี้จะเป็นการสร้างสวรรค์ชั้นโภมให้กับใจแล้วก็จะเป็นการสร้างภาพนิพพานตามลำดับต่อไปเพราะการปฏิบัติจิตตาภาวนานี้มีแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นสวรรค์ชั้นโภมขึ้นมาและระดับที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนา ทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเพื่อสร้างความนิพพานขึ้นมามีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งนี้จะได้สวรรค์ชั้นพรมแต่ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ทันกิเลสตัณหาตัวที่จะมาคอยหลอกให้เกิดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในตายภพคือ การมาพบรูปรพบและอรูปรพบถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดต้องปฏิบัติขั้นที่สองของการภาวนาที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาให้รู้ทันกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาด้วยการให้รู้ว่าทุกครั้งเวลาโมหะอาวิชชาหลอกให้เรามีความอยากต้องเห็นทันทีว่าความอยากนี้แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบกัน ไม่ว่าจะเป็นความอยากความอยากแบบอยากหรือแบบละเอียดความอยากแบบอยากก็คือความอยากได้ลาบยศสารเสินสุขมาเสด น, นี่ความอยากแบบละเอียดก็คือความอยากได้รูปประชานความอยากได้อารูปประชานอันนี้ก็เป็นความอยากแบบละเอียดที่ยังพาให้จิตใ จ, จติดอยู่ออ ก, การเวียนว่ายตายเกิดในาตายพบอยู่ถ้าอยากที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องหยุดความอยากเสพการให้ได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากเสพการก็ฝืนใจไม่ทำตามถ้าใจมีกำลังของสมาธิมีอุเบกขามากใจก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากจะไม่มีกำลังมากสำหรับใจที่มีความสงบมีสมาธิมีอุเบกขาจะไม่รู้สึกทรมาน เวลาที่จะต้องไม่ทําตามความอยากเราก็จะสามารถเอาชนะความอยากทั้งสามได้ความอยากเสกกรรมความอยากเสกรูปประชานความอยากจะเสกอารูปประชานได้ก็ เ, เห็นว่าทั้งกรรมก็ดีรูปประชานก็ดีอารูปประชานก็ดีก็อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเจะแล้วมันก็เสื่อมได้ พอมันเสื่องก็ต้องอยากให้มันอยากได้มันมาใหม่พออยากแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเห็นด้วยไตรักเห็นด้วยเห็นด้วยอริยสัจสีใจก็สามารถที่จะไม่ทําตามความอยากอีกต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่มากน้อยที่เป็นตัวฉุดล拉ให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็จะหมดกำลังลงไปแล้วก็จะจางหายไป ไปจักใจใจก็จะกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ว่างปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาใจที่ว่างจากการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าพันิพาใจที่ว่างมีวันิบานังปรามังสุญญาว่างจากความอยากทั้งปวงว่างจากการที่ต้องไปทำตามความอยากคือไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ ขว้าจากความทุกข์ที่ตามมาจากการไปเวียนว่ายตายเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหายไปจากใจอย่างหมดสิ้นเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวก็คือบรลมะสุขที่เรียกว่านิพพานางฟัลละมังสุขขังนี้เกิดจากการที่เราปฏิบัติขั้นสูงสุด ข, ของการปฏิบัติคือขั้นวิปัสสนาภาวนาแต่การที่เราจะขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องมีขั้นสมถะภาวนา เป็นผู้สนับสนุนก่อนถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเจริญสมถาภาวนาใจเราจะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากเวลาที่เราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอริยศัสตร์ว่าความทุกข์ใจการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากการมีความอยากพาให้มาเกิดเวลาเกิดความอยากมันก็จะเกิดความรู้สึกทุกใใข์ใจขึ้นมาจนกระทั่งทนไม่ไหวจะต้องไปทาตามความอยาก แต่ถ้าใจมีสมาธิมี อ, อุเบกขาความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากมันจะไม่รุนแรงมันจะสามารถอยู่ในขอบเขตของการควบคุมได้สู้กับมันได้ฝืนมันได้หยุดมันได้โดยเฉพาะถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันจะนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในตายพบที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันก็จะฝืนความอยากหยุดความอยากได้ัต้องมีสมรรถะก่อนถึงจะไปวิปัสสนาได้ และก่อนที่เราจะไปสมถะภาวนาได้ใจเราต้องเมียนบุญเป็นกุศลก่อนต้องต้องไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆเพราะเราจําเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัตินั่นเองถ้าเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากลาบยึดสารเสริอเราก็ยังจะต้องไปทํางานทําการเพื่อที่จะหาเงินหาไรายได้มาใช้นั่นเอง เมื่อเราต้องไปทํางานเราก็จะไม่มีเวลามาอฏิบัติจิตตภาวนา<ม>ถ้าเราอยากจะปฏิบัติจิตตภาวนาเราต้องเลิกทํางานก็<ม>อยู่แบบนักบวช<ม><ม>พวกที่บรรลุนักผลนิพพานกันส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันเพราะว่าเวลาเป็นนักบวชนี้ไม่มีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องไปทําภารกิจเลี้ยงดูร่างกายก็มีน้อยมากวันหนึ่งก็แค่ตอนเช้าออกไปบินทบาทชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จและ้ะ กลมารัประทานอาหารเสร็จสองชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วที่อยู่อาศัยก็อยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามเงื่อผาก็ได้อยู่ตามเรือนรอ้างก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีกุฏิถ้าไม่มีก็อยู่ได้กลางกดเอาอเครื่องดูหอบก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าป่านี่เอามาตัดอาเย็บมาซักมาย้อมไม่มีเงินก็สามารถหาผ้าเหล่านี้ได้ในสมัยก่อน สมัยนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาในผ้าที่เป็นผ้าปฏิบัติก็จะมีการถวายผ้าให้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อผ้าไม่ต้องไปมีอาชีพหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อผ้าอย่ารักษาโรค ก, ก็มีศรัทธาคอยคอยถวายคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพอเป็นนักบวชแล้วมันก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการทำมาหากินก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติจิตภาวนาได้อย่างเต็มที่ พามีเวลามากการปฏิบัติก็จะเจริญมากคืบหน้ามากสามารถบรรลุมากผลนี้ผ่านได้ภายในเวลาที่ผู้เจ้าได้ทรงกําหนดไว้เลยเช่น<ม>ทรงถึงตัดว่าบางคนนี้สามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวัน<ม>บางคนก็อาจจะเจ็ดเดือน<ม>บางคนก็อาจจะเจ็ดปีขึ้นอยู่กับควา ม, มความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่มีมีอินทรีย์ที่แก่ก็้าแตก ต, ต่างกันไป คนที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้ากว่าก็จะบรรลุทำได้เร็วกว่าคนที่มีอินทรีย์ที่ด้อยกว่าก็จะบรรลุทำได้ช้ากว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิริยะความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรสติแล้วก็สมาธิและปัญญาถ้ามีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่ การที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แนการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมี่็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะเร็วขึ้นบางคนถึงบรรลุทาได้ภายในเจดวันบางคนก็บรรลุภายในเจเดือนบางคนก็บรรลุภายในเจปีอันนี้ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนที่ได้สะสมมาในอดีตชาติว่าได้สะสมมามากน้อยเพีงยงไร สะสมมากก็จะบรรลุได้เร็วสะสมน้อยก็บรรลุได้ช้าแต่ไม่ว่าช้าก็เร็วก็ตามก็จะบรรลุเหมือนกันจะดูดทนจากกองทุกข์แห่งการยืนล่ายตายเกิดได้เหมือนกันดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราบรรลุเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีพอบรรลุแล้วมันผลก็เท่ากันเหมือนกับการที่เรารับปริญญาเราจะเรียนสามปีแล้วได้รับปริญญาหลือเรียนห้าปีแล้วได้รับปริญญาปริญญาที่เราได้รับก็เท่ากัน มักผลที่ผ่านที่เราได้บรรลุก็เท่ากันเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นการบอกให้รู้ว่าคนบางคนก็สามารถบรรลุได้เร็วบางคนก็สามารถบรรลุได้ช้ากว่าแต่ถ้ามีถ้ามีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะบรรลุได้ด้วยกันทุกคนอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะนำมาพิจารณาและนำมาปฏิบัติกัน เพราะมันจเป็นสิ่งที่เป็นของจริงของแท้ที่เราจับต้องได้ด้วยใจของเราเอาไปกับใจของเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่สิ่งที่เราจับต้องได้ด้วยร่างกายนี้เราไปไม่ได้พอไม่มีร่างกายแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีกี่ร้อยล้านพันล้านก็อาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวคนที่เรารักคนที่เราชอบบุตรธิดาสามีภรรยาก็เอาไปไม่ได้ราบยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้รังวีรางวัลต่างๆที่เราได้รับก็จะเอาไปไม่ได้วามสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือทำที่เราปฏิบัตินี้ถ้าเราปฏิบัติศีลได้เราก็จะไปเราก็ปิดประตูบายได้ถ้าเราปฏิบัติทาบุญทาทานได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นเทพ ถ้าเราปฏิบัติจิตธรรมนาได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์มรรคผลนิพพานตามลําดับต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะสามารถเอาติดตัวไปได้ถ้าเราไม่ประมาทถ้าเรามันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปรื้อพ้นความแก่ความเจ็บตายไปไม่ได้ตจอ ง, งเล็บยางประโยชน์ให้เกิดขึ้น ด้วยความไม่ประมาณเถิดต้องรีบทำบุญทำกุศลลนะบาปแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบดยสุดเถิดนี่แหละจะเป็นการปฏิบัติที่มีคุณมีค่ามีประโยชน์ต่อจิตใจอย่างแท้จริงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุร า, าริกปเรนติสาขลัง เอวเมววัตโตทินังเปตานังปะกะปติอจิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวสัมิจโตสัพเทโปเลนโตสังกปาจันโทปนาบรสุยธามณิโชติบรสุยทาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโลกวินาศตุ มาเตผวตะวันตะรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนสีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวัฏติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถาม อันนี้อยาะถอบคำถามที่ส่งเข้ามาทางกระดาษแล้วหลังจากนั้นก็จะให้ชาวต่างชาติเขาถามต่อวันนี้มีผู้ติด ต, ตามทั้งหมดเท่าไหร่ <c oughs> วันนี้ผู้ติดตามรับฟังธรรมนาคุติทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโต463ย t u b บพระสุชาติไลฟ์341ย o u t บด e d กเตอร์วีแชนเน52วิทยุออนไลน์7 c ลับ h ฮ u ส e 12ผู้รับฟังธรรมนาคุติ168คนรวมทั้งหมด 1,043 ครับ มีคำถามมาใช่ไหมครับวันนี้มีคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิมีสองท่านครับท่านแรกถ้าผมรู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายแล้วปฏิเสธการรักษาและไม่ทานอาหารน้ําดื่มจะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายจะบาปหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่ามีเจตนาที่ต้องการจะทําให้มันตายหรือไม่ถ้ามีเจตนาก็ยังจะถือว่าบาปอยู่ แต่ถ้าปล่อยให้มันอยู่ไปตามตามบุญตามกรรมไม่รักษามันกินได้ก็กินดื่มน้าได้ก็ดื่มก็มมดูแลมันไปตามตามมีตามเกิดอย่างนี้ก็ไม่บาปไม่ถือว่าเป็นขั้นฆ่าตัวตายแต่ถ้าตั้งใจที่จะอดให้มันตายน่มันก็บาปได้เพราะเรามีเจตนาที่ต้องการจะให้มันตายคำถามจากท่านที่สอง การทำประกันชีวิตและการทำประกันสุขภาพโรคร้แรงมีความจำเป็นหรือไม่ครับส่วนตัวมีความกังวลใจหากในอนาคตข้างหน้าเกิดเป็นโรคแต่ก็แอบคิดว่าเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้และเสียดายถ้าไม่ได้เป็นพยายามคิดว่าเป็นก็คงไม่หายอยู่ดีจะทำใจและค่อยๆปล่อยวางดีกว่าขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะครับ นั่นแนหะใช้ธรรมะเป็นวิธีรักษาโรคดีที่สุดธรรมะโอสถคือรักษาใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บหรือความตายพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ซื้อประกันภัยประกันชีวิตรักษาวกทั้งหลายท่านก็ไม่มีประกันภัยไม่มีประกันชีวิตแต่ท่านมีธรรมะโอสถงั้นเอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่า แล้วก็ถ้าเรามีธรรมะอสมบแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายองไรก็วันนี้ก็เวลาหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพี่นิพจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด